บทภาชณีติกาปาจิตตี818อุปสมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันปรนิบัติอ <pu> ยู่ด้วยน้ำดื่มหรือการพัดวีต้องอบัตตปาจิตตีอุปสมบันภิกษุณีไม่แน่ใจปรนิบัติอยู่ด้วยน้ำดื่มหรือการพัดวีต้องอบัตตปาจิตตีอุปสมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบัน ปรนิบัติอยู่ด้วยน้ำดื่มหรือการพัดวีต้องอบัติปาจิตติทุกกฎภิกษุณีปรนิบัติอยู่นอกหัตถบาทต้องอบัติทุกกฏภิกษุกำลังเคี้ยวของเคี้ยวภิกษุณีเข้าไปปรนิบัติต้องอบัติทุกกฏภิกษุณีเข้าไปปรนิบัติอนุปัสมบันต้องอบัติทุกกฏอนุปัสมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปัสมบันต้องอบัติทุกกฏอนุปัสมบันิภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฏ อนุปสัสมบันิภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสัสมบันต้องอบัตทุกกฎ